you <laughs> มันช้าๆเขาเความรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในเขาใช้คําว่าเขาอยู่ข้างในทีนี้อ่าบีหนึง่งอยวจะทําให้ดูอีกหนึง่งคือเขาทาแล้วเหมือนรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ไม่ได้อยู่ข้างในเราว่าอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่แน่ใจอีกอย่างหนึง่งแต่อันนี้คือที่ช้าๆแต่อยู่ข้างในคก็อย่างแล้วลเขาทำช้าอยู่ข้างในเพราะมันเป็นสมถะ มันเป็นสมาธิเพ่งจิตทาต่อไปจะได้ความสงบแต่จิตจะไม่ตื่นให้ตั้งใจเคลื่อนไหวตั้งใจรู้อีกหน่อยตั้งใจเคลื่อนไหวการตั้งใจเนี่ยเป็นเป็นสติที่เพื่อดึงจิตให้ดึงจิตออกมาจากกายที่มันเคลื่อนไหวแล้วควรจะทำข้างหลังใช่ไหมคะใช่ทำข้างหลังแล้วก็ ตอนนี้ทําข้างหลังแล้วมีการรู้บ้างไม่รู้บ้างถูกแล้วล่ะเราก็มีหาที่เจริญให้มันรู้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้มากกว่าไม่รู้ถ้าถามว่าเขาเคยข้อสองครั้งแล้วทุกครั้งข้อคอแล้วเขารู้สึกดีมากแล้วพลังตรงนี้จะอยู่ได้เดือนหนึ่งส่วนใหญ่หลังจะเดือนหนึ่งก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหลงเลยค่ะแล้วฤี่ถ g ก็เลยถามเขาว่าขอถามคําถามว่า กลับไปหลังจากเดือนหนึ่งตัวเองปฏิบัติไหมเขาบอกไม่ค่ะเขาบอกกี่เดือนท่านเลือออกครั้งหนึ่งเดือนสองเดือนได้เดินจงกรมครั้งหนึ่งเขาอย่างนั้นแหละถูกแล้วถ้าไม่ทามันก็ไม่มีนะแล้วคำถามของเขาคือแล้วที่เคยทําแล้วมันไม่เหมือนเก็บเงินในแบงก์เหรอคะแล้วมันหายแล้วเหรอคะอ๋อใช่เพราะว่ามันยังไม่อยู่ตัวมันต้องตรรษีให้มันได้ที่ซะก่อน ไม่เดี๋ยวมันจะคงที่นี่เรายังไม่ได้ที่เลยตั้าแต่จะดีละลงอีกแล้ต้องเจริญสติให้ถึงจุดจุดหนึ่งจนสติมันเกิดเองได้แล้วต่อไปมันก็จะเป็นเองเโดยอัตโนมัติใหม่ๆต้องฝึกอย่างนี้ก่อนเขาเก็บเงินที่เลยหยวนที่เลยหยวนเนี่ยได้จุดหนึ่งแล้ว <Yes. S 1> เขาไม่เก็บต่อเขาเอาเงินที่เก็บแล้วนี่ไปใช้ไมื่ย่างกัรที่เราเจริญสติแล้วเนี่ยเราไปใช้สติแบบ คือเราไม่ค่อยได้ใช้สติเราทําด้วยความเคยชินน่าแหละคือใช้เงินหยวนที่เก็บเอาไว้คุณจงเข้าใจเพราะว่าเต็มรอบนหมเวลาเขาตัดตาื่อนเขาจะหมุนใช้ก่อนเนี่ยเต็มรอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปทําต่อไปทําต่ออยากแค่ได้เต็มรอบไหมเอาไว้อยู่อีกยี่สิบวันอยู่ต่อยี่สิบวันแล้วเต็มหน้า เดินจักรกลเขาความเร็วแบบนี้เขาสามารถรู้สึกถึงไหวถึงนิ่งได้นี่ท่องเลยบอกว่ามาเดินไหน่อยสิโอ้ยตอนแรก น, นว่าเดินช้าๆไม่ใช่นี่ยเขาบอกว่าเขารู้ถึงไหวถึงนิ่งที่เป็นธรรมชาติเขาเห็นไหมเ ข, เขาย่องอ่อานอนุญาตไปก่อนเพราะว่าเขาสามารถรู้ได้ว่ามันเกิดกันไหวเกิดกันนิ่ง <ด>แตวว่ตอนนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนเขารู้ไหวกับนิ่งตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมันมีคล้ายๆเหมือนเอ่ขาเนี่ยขึ้นไหวค ล, คล้ายๆมันวาดรูปอะวาดรูปได้เส้นกลมๆเส้นหนึ่ ง, งเป็นอย่างนี้แล้วก็เขารู้สึกก็แตะตรงพุน ต, ต, ต, ตรงนี้แล้วพวกขาวถึงเท้าอะไรของเขาเยอะแยะเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาเดินไม่ได้เดินแบบธรรมชาตินะะเขาเดินแบบตะเจตนาจงใจที่จะให้มันรู้มันเป็นการบังคับ เดินไม่ธรรมชาติมันคือมีอาการเกรงมีเมคิดมันสงบเ ม, มืมม่อไรมีการสมถะเหมือนเป็นการวาดรูปอันนี้ยังไม่ใช่การเดินเจกากรมจา้าสติคอยเดินแบบธรรมชาติที่ว่ารู้จักไหวรู้จักนิ่งอ่ะอันนั้นถูกต้องกว่าแต่อันนี้มันยังไม่ธรรมชาติไหนมันนี่อ่ะพอก็ไปนั่งเนี่ยคือเดินธรรมชาติของเขาให้เดินอย่างนี้แล้วก็รู้ตัว นนไม่ใ ช, รรช่อย่าไปให้เป็นร้วนไหวหรือนิ่งเดินแล้วรู้ว่าเดินณปัจจุบันนั้นใช้ได้อย่าไปหาอะไรละรเอียดเดินก็รู้ว่าเดินไอ้ที่บอกให้มันไหวมันนิ่งเนี่ยเพราะว่าการเคลื่อนไหวที่มือเนี่ยเขาจะเป็นจังหวะคลิกมือไหวนิ่ ง, งไหวนิ่งเฉพาะที่นั่งยกมือเฉยๆแต่เราเดินนี่ให้เป็นธรรมชาติ ทุกครั้งเดินเดิกรมเสร็จก็จะปวดหล่ลวปวดเอวปวดอะไรไปหมดเราเป็ น, นเราบังคับ<ม>เคยเดินช้อปปิ้งไห ม, มเดินช้อปปิง้งไงเราขาดสตินี้เราก็เดินช้อปปิง้งเหมือนเดินช้อปปิง้งแต่เรามีสติอีกอันหนึ่งก็ใชได้<ม>ง่ายๆปฏิบัติง่งายๆคาถามคือ<ม>เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ขี้เกียจแล้ว เ, <อ>เขาทำอยู่แต่ว่าคําถามมาแล้วว่าเรามีแค่นี้หรือเรามีแค่นี้หรือ แล้วยาวแค่ไหนล่ะเขาบอกเหมือนหุ่นยนต์นะคอ๋อทําให้เป็นธรรมชาติหน่อยนใหม่ๆจะเหมือนหุ่นยนต์หรือเหมือนมัมมี่อันนั้นคือเราเป็นการฝึกเป็นการฝึกเป็นการฝึกไม่ใช่ของจริงทําชั่วคราวเพื่อนิยสติตอนนั้นเองเขาบอกว่าเขไม่รู้ว่าเขามีสติไหมอ๋อเพราะว่าเรายังทําน้อยไปหน่อยต้องทําให้ต่อเนื่องนานๆเราจริงจะรู้ว่าเรามีสติ อย่างน้อยเราขี้เกียจแล้วเราก็หายขี้เกียจแล้วมาขยันไปแล้วว่าเรามีสติแล้วเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าทําให้ต่อเนื่องไปอีกหน่อยเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือมีสติเมื่อกี้นี่ขาดสติที่เราขี้เกียจแล้วเราก็ขยันเนี่ย mm hmm. ถือว่าใช้ได้แล้ว mm hmm. แล้วเราตั้งแต่วันแรกหยุดถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ใช้ได้แล้วจิตเราเริ่มพัฒนาขึ้นเราไม่ได้ตกไปเป็นทาตของขี้เกียจแล้ว สวยสีกงเตอ๋อเขาฉชนะใจตัวเองได้เขาเห็นยุงกัดเขาอันนี้คือรู้สึกตัวไหมแล้วก็เขาที่เขาพูดซ้ำเลยสมาผลิตองให้เข้าใจเขาบอกว่าเขาเห็นอคนอื่นแล้วเขาก็โกรธแล้วหฤทธอาก็ถามว่ามันคื อ, อยังไงเมื่อ ไ, ไหรเขาบอกอีวันนี้แหละอะตอนแตกผลไม้เพื่อนคนอื่นเนี่ย เร่งรีบจะยัดเข้าป่าเพื่อที่จะกินเพิ่มหลายๆอันอะเขาก็เลยเห็นความโลกโลกของพวกเขาเขาเลยโกรธเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเองอ่ะไม่ชอบแล้วก็โกรธกับพวกเขาเขาบอกว่าอันนี้คือเขา่ะรู้สึกตัวแล้วเปล่าไม่รู้สึกตัวเขากําลังมองไปนอกตัวเห็นยุงกัดมาไปจับผิดคนอื่นเห็นยุงกัด ไม่เป็นเรื่องธรรมดาของตาแต่รู้ไหมว่าเรากำลังโกรธหรือไม่พอใจสังเกตุที่ใจเราสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนนมันไม่สำคัญหรอกใจเรารู้สึกเป็นยังไงชอบใจไหมไม่ชอบใจไหมตัวเนี้ยถูกต้องกว่าก็หมาว่าให้รู้ตัวเองแล้วว่ารู้รอบรอบให้หมดการรู้รอบๆอบนั้นคือการไม่เพ่งการดูข้างนอกเสีย 20% เซ จะไปต้องดูนะเดี๋ยวจะไปชนเขา<ฯ>ดูสิกย0สเซนแล้วก็ดูความรู้สึกของเราที่ใจเราเสัก 80% ดูตัวเองให้มากๆที่บอกให้รู้รอบๆบนั้น <_ d ata> เพื่อจะได้ไม่เข้าไปเพ่งรู้รอบๆอบคือรู้คุมคลุมนะอย่าไปรู้แบบจี้ถ้ารู้แบบจี้ที่ตัวเราเนี่ยมันจะเครยียดมันจะเพ่งมันจะเป็นสมาธิถ้ารู้แบบกว้างรู้รอบๆอบมันแสงไฟ น, นะ<ฯ>มันกว้างอย่างเงี้ย อันนี้เป็นการรู้แบบวิปัสสนาถ้ารู้แบบไปฉายที่เนี่ยอันนี้เป็นสมถะอันไหนลองมองมาที่จมูกท่านซัพชูสิเพ่งอยู่จมูกท่านซัพชูนี่คือรู้แบบสมถะรู้น า, นานาจะเครียดแต่ถ้ารู้แบบวิปัสสนารู้แบบเดียสีนี่รู้แบบรู้ทั้งองค์ <c oughs> รู้ทั้งรูปเลยแล้วเราจะเห็นรายละเอียดของท่านว่าจมูกท่านเป็นยังไง ฟันนั้นเป็นยังไงตาจะเป็นยังไงรู้นานๆเนี่ยเราจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากเพราะจิตมันพัฒนาขึ้นเพราะเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆอกว่าเวลาเอเดินจงกรมเวลากินข้าว <c oughs> เวลาแปลงฟันล้างหน้าอะไรเนี่ยอชอบมีความคิดออกมายาวๆแล้วเขาก็คิดตามความคิดยาวๆแต่ว่าเวลายกมือเวลายกมือนี่แหละคะ่ะ พ็ผมไม่มีความคิดสักเรื่องเลยค่ะก็ เ, เราเขาเพ่งเพ่งไปหน่อยการเคลื่อนไหวถูกต้องแต่ว่าการพลูเนี่ยรู้ให้สบายๆนิดสักหน่อยเราเพ่งมันไปนบล็อกเอาความคิดไปหมดมเวลาที่เขาใช้ชีวิตเกิดขึ้นการแปลงฟันการล้างหน้าการอาบน้ำ น, นั้นคอยตั้งใจทําตรงนั้นซะก่อนพอตั้งใจทําแล้วเนี่ยจิตที่ตั้งใจทําตรงนั้ น, นความคิดก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น ตอนนี้เมื่อกี้ที่เขาพูดตั้งนานเนี่ยความหมายของเขาคือถ้าเขาไม่เพ่งแบบนี้ความคิดก็จะโผล่ออกมายาวๆนานๆทีนี้มันนั่งทําตรงนี้จะได้ผลอะไรมีประโยชน์อะไรอันนี้เลยการเจริญสติเนี่ยนะเราไม่ได้ห้ามความคิดและก็ไม่ต้องตั้งใจคิดความคิดมีสองอย่างคิดแบบตั้งใจคิดอันนี้คิดสติแล้วคิดแบบไม่ตั้งใจคิดนี่ความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาเอง แล้วปล่อยความคิดนี้ออกมาคือไม่ต้องตั้งใจคิดให้มันคิดออกมาเองให้มันคิดอมาเองเราจะได้เห็นมันเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยฟังตัวนี้น ะ, ะที่เราทำเนี่ยเพราะว่าให้เรามีความรู้สึกตัวอันนี้คืออันดับแรกคือให้รู้สึกตัวก่อนตัวก่อนจริงเดียวคือทำคือรู้สึกตัวอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดอย่าไปห้ามความคิดแล้วก็อย่าไปตั้งใจคิด เอาความรู้ตัวเป็นใหญ่ก่อนครั้งแรกมันจะคิดหรือไม่คิดเนี่ยอย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยให้จิตมันทำอย่างนั้นแต่เราจะมาทำอย่างนี้เราทำแค่หนึ่งเดียวแต่ที่เราทำผิดพลาดเรื่ช้าเพราะว่าเรารู้ตัวไปแล้วกดความคิดลื้ตัวไปแล้วกดความคิดเราทำถึงสองอย่างสติยึงไม่ค่อยจะเลยการที่เราให้รู้ทันความคิดเนี่ย เพราะว่าความคิดเนี่ยมันนําเอาเหตุของความทุกข์มาสู่ตัวเราเราไม่มีความสุขเพราะความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเองนี่แหละพอมันคิดขึ้นมาทีไรเราก็ยึดมั่นถึงมันเราเป็นตัวเราคิดทีไรก็ยึดมั่นถึงมั่นเป็นตัวเราเพราะเราไม่รู้ความจริงของความคิดมันคิดโลรธคิดกังวลคิดเบื่อหน่ายแล้วเราก็ยึดเป็นตัวเราเราจึงเป็นความทุกข์อยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราอยู่ใต้ความคิดพอเราเจริญสิไปเรื่อยเนี่ยมันจะเสมอความคิดปึกต่อไปบ่อยเราจะเหนือความคิดเราจะเห็นความถิงความคิดว่ามันเกิดดับมันบังคับบัญชามไม่ได้และมไม่ใช่ตัวตนของเราเลยเราก็จะปล่อยวางมันไปเองการปฏิบัติที่ห้ามความคิดไม่ให้มันคิดนั้นหรือเลื่นเกลี่ยความคิดไม่ถูกต้องแต่การรู้ทันความคิดอันนี้แหละคือการถูกต้อง อยากจะรู้ทันความคิดก็ต้องเจริญสติให้มากๆเท่านะั้นแต่ก่อน อ, อย่างเช่นกินผลไม้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้กินเขาจะงงงิดเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีเนาะอ๋อแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเข้าไปช้าเขาเข้าไปช้าแล้วเพื่อนแย่งกันใหญ่เลยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่สบายใจเหมือนสมัยก่อนอแล้วก็เฉย แล้วกินข้าวแต่ก่อนเนี่ยพอเห็นอ่าที่ตัวเองรู้สึกอร่อยมากก็จะตักเยอะๆอาตอนนี้ก็เฉยๆเพราะว่าเขาต่อคิวอยู่ข้างหลังส่วนใหญ่เขาเข้าไปก็ไม่ค่อยเหลือแล้วค่ะเาก็ไม่มีคําถามานะไม่มีคาถามแค่บอ ก, กรู้ตอนจิตเขาแล้วฮเขาเอาชนะใจเขาได้นี่คือชนะตัวเองได้แค่นี้ก็เอาแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคือรู้อะไรคือรู้มือหรแขนแขนข้างบนหรแขนข้างล่างล้วรู้อะไรอืเขาบอกว่าก็นทุกคนพยายามทําเต็มที่เขาก็ทำํำทางานี้เขารู้ไหมว่ากําลังเคลื่อนไหวยอยู่กำลังทำเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆท ำ, ทำเรื่อยๆทำเรือ่อยๆรู้ไหมว่ากําลังกําลังเคลื่อนไหวก็เนี่ยรู้สึกตัวแล้วลนะ่ะ การปฏิบัติเริ่มต้นเนี่ยเราอยไปคิดว่าเราจะรู้อะไรรู้อย่างไงอย่าไปคิดมากกลัวจะเป็นอย่าเพิ่งไปคิดอะไรให้ทําก่อนให้ทําก่อนการทำครั้งแรกเนี่ยให้เรารู้ให้รู้ว่าเราปัจจุบันนี้กําลังกําลังอยู่กับการเคลื่อนไหวเอาแต่แรกเอาแบบคุมก่อนว่า<ม>ปัจจุบันนี้กำลังรู้การเคลื่อนไหวแต่ว่าต้องทาให้ถูกคือมีการเคลื่อนและมันหยุด<ม>เคลื่อนและมันหยุดให้รู้รอบๆตรงนี้ก่อนขั้นแรก ถ้ารู้รอบๆนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะรู้ว่าเคลื่อนนี่เราก็รู้หยุดดิมันก็รู้มันจะขึ้นเป็นลําดับขั้นของมันเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยจิตเรายังหยาบอยขอให้เรารู้กับการเคลื่อนไหวในปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยจิตมันจะละเอียดขึ้นจะรู้ว่าหยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้ตอนนี้ถ้าละเอียดอีกขั้นหนึ่งคือมันละเอียดขึ้นไปอีกรู้นา น, านๆจะละเอียดอีกจะเห็นแม้กระทั่งแม้แต่ความคิดที่มันโผล่มาเราก็จะเห็น ค่อยๆพัฒนาจิตไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงต้องมีการทำต่อเนื่องการปฏิบัติที่จะให้ได้ผลเร็วก็คือการทำแบบสบายๆแล้วก็ทำต่อเนื่องแล้วก็ไม่หวังผลอะไร<อ>มันจะได้ผลเร็วค่ะเขา บ, บอกว่าสมมติยกมือหนึ่งท่าแล้วก็กลับมาดูทีหนึ่ง ยกอีกหนึ่งท่ากลับมาดูทีนึ่งยกอีกหนึ่งท่ากลับมาดูทีนึงแล้วก็ได้ยินเสียงนกกลับมาดูทีหนึง่งมันมันไม่ใช่ปัจจ<ร>ุบันมันก็พอยกหนึ่งท่ามันก็จบไปแล้วถ้ากลับมาดูทีหนึง่งเนี่ยมันจะเป็นความลงมันต้องให้ได้ปัจจุบันคลิกมือรู้สึกให้ได้ปัจจุบันตรงนั้นเลยดีกว่าเพราะเรายกมือนะเพราะเราคลิกมือแล้วเราจะไม่รู้อะไเลยแต่มาดูอีกที แสดงว่าเราคิดเพราะตอนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่รู้ตอนนี้มันพลาดไปแล้วแต่ว่าคิดมาดูอีกอันนี้คือความคิดกันแล้วเพราะว่าจิตเราออกไปนอกตัวเราต้องพยายามตั้งใจหน่อยอตั้งใจเคลื่อนไหวแล้วก็ดังใจรู้สึกมันจะได้ปัจจุบันมันจะได้เข้าใจเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไระสุดท้ายก็คือหลีดงพูดอกปยนเองให้เขาถามให้ก็ว่าใช่ไหมเาก็ว่าโอเค ก็คือเขารู้ว่าจิตมันเริ่มไม่สบายใจผล่ขึ้นมาแล้วความคิดที่ไม่สบายใจผล่ขึ้นมาแล้วเขารู้แบบนี้ถูกไหมก็ถูกนะแต่พอรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะเขาบอกว่าพอมันพอมันคิดอย่างงั้นเขาก็จุกพอจุกแล้วแล้วแล้วเขาก็ยกมืออะไรเงี้ยเดินจะกมุมต่อแล้วสะพักก็ไม่เลอะขึ้นมาก็ตดออกไปที่จุกอยู่เนี่ย เพราะเราไปบังคับหรือเปล่าบังคับความคิดหรือเปล่าไม่แน่เขาเขาบอกว่าเขาเน้นถึงเรื่องที่เขาไม่สบายใจมากเขาก็จุกอีกทีหนึ่งเพราะเคยมีคนทําให้เขาจุกแล้วเมื่เราไปคิดเรื่องอดีตเนี่ยมันก็เลยมีผลถึงปัจจุบันพอมันคิดแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่าไปคิดต่อไปแล้วก็ไปอยู่กัการเคลื่อนไหวซะครั้งแรกเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองโดยที่เขาไม่ตั้งใจคิดเรื่องอดีตขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเรามันเริ่ม เป็นหัวเลื่องปั๊บ<อ>รู้แล้วเราก็ทิ้งไปเลยเนี่ย<อ>มันหมดปัญหาแต่พอรู้ปั๊บในเราคิดต่อนี่คือตั้งใจคิดต่อมันจริงเป็นเรื่องเป็นราวจ<อ>ิตมันนึกอยากจะคิดว่าคิดก็มันเองแต่เราอย่าไปคิดต่อเอพรอจิตมันคิดเองปั๊บเราก็ทิ้งเลยนะมาอยู่กับการเคลื่อนไหวซให้ อ, อยู่กับปัจจุบันจะปลอดภยัย อ, อ๋ว่าออย่างเช่นเขาตั่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็มองอยู่จุดหนึ่งทีนี้เขาก็จะ เดี๋ยวเ็ามองจุดนี้เดี๋ยวมีคนเดินผ่านเ็ามองคนเดี๋ยวคนข้างๆทำเสียงเขาก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็มีคนตดอะไรเงี่ยเขาก็ได้ยินหมดเอาบอกเขาถูกลบกวนตลอดเลยแต่ว่าเขาได้วิธีของเขาเองคือรู้ข้องในใจคบว่าจิตต์จิตตรู้รู้เนี่ยทีนี้เขาก็จะไม่ถูก ด, ดึงไปยางที่เคยเป็นคะแ้ก็เป็นความคิดนึงนะ ไม่ได้มีการปฏิบัติเลยคนที่เขาเดินไปเดินมาเสียงตดบ้างอะไรบ้างนมาเรื่องของเขาแต่เราต่างหากไปไม่พอใจเขาเราไปกวนเขา<ม>เราไม่มารู้สึกตัวของเราเรื่องเดินเรื่องตดแต่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรา<ม>แต่เรื่องเราคือการมารู้สึกตัวน้เรามาที่เนี่ยเราเมื่อเพื่มมาเจริญสติ<ม>เราไม่ใช่มาเพื่อจะห้ามแม่ให้รู้อย่างนี้ ไม่มีการไปจัดส so ิ่งภายนอกแต่จัดใจเราให้รู้สึกตัวไว้อย่างนี้เราก็ต้องไปทำครัวไปทาความสะอาดไปทำข้างนอกหมดเลยแต่ไม่ได้มาทำความรู้สึกตัวทุกอย่างเงี้ยก็มีปัญหากับหม้อแล้วกเขาบอกว่าเขายกมือไม่เกินยี่สนาทีเขาก็เบื่อแล้วเขาขี้เกียจมากเขายกไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เบื่อเดินจะกรมขึ้นชั่วโมงเขาก็พอแล้ว ทีทองก็บอกว่าเนี่ยอาสาสมัครกาลังจับตามองเธอนี่แหละที่วันนี้เบื่อก็รู้ว่าเบื่ออย่าไปเสื้อวว่าเบื่อเขาไปคุยกับคนนน้นทำโน่นทำนี้อย่างเงี้ยคุยกันนี้คนโน้นเบื่อก็รู้ว่าเบื่อมแล้วก็ทําไปขี้เกียจก็รู้วขี้เกียจแล้วก็ทําไปเบื่อก็ทําไปขี้เกียจก็ทําไปพรากาลังทําเนี่ยกําลังทําอยู่เนี่ยเราไม่เบื่อไม่ขี้เกียจหรอกมีญดีทําบางคนที่อยู่เมืองไทย เขาบอกเขาขี้เกียจเดินจงกลมมากเขาชอบนั่งยกมือสุดท้ายเขาก็เดินจงกลมเดินทั้งวันแล้วก็บอกเขาเกียดเดินโจงกลมมันขี้เกียจได้ยังไงก็เบื่อขี้เกียจแล้วทําไมถึงต้องเดินทั้งวันก็จึงรู้ว่าอ๋อเขาสามารถเอาชนะความเกียดได้พราะเขาเดินทั้งวันวิธีเอาชนะความวิเกียจคือขยันซะก็หมดปัญหาเขาบอกว่าก็เดินจงกลมตรงนี้เมื่อวันตอนเย็น แต่ก่อนนี่คือเห็นอะไรก็รู้เห็นอะไรรู้แต่เมื่อวานอยู่ๆก็เห็นอะไรกลายเป็นไข่สีทองๆ ท, งที่มีแสนฟองหนึง่งก็รู้สิก็รู้ว่าอืเห็นไข่ก็รู้ว่าไข่เป็นแสนฟองนงก็รู้เราดีท่องถามเขาตรงนั้นมีไข่ไั้มมีไข่ัหมตรงนั้นมีรังรังไข่ไหมเขาบอกไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นไข่หมดเลย เราอย่าไปดูข้างนอกเลยดูตัวเราดูความสึกเราดีกว่าเนี่ยมันเห็นอะไรก็ก็รู้สึกตัวแล้วกันว่าอืเราเห็นจริงนั้นเป็นไข่ทองด้วยนะไข่ทอ ง, ทองมีแสนพุ่งมาด้วย ม, มีประกายแสนแล้วมันมีจริงหรือเปล่าล่ะเพราะเราดูของนอกก็มันไม่จริงหรอกต้องดูที่ความรู้สึกของเร า, าเราเห็นไข่ทองรู้สึกอย่างไร พอใจหรือไม่พอใจพอใจก็โอ้นี่เราพอใจอแสดงว่าเห็นจิตเราเห็นตัวเราแล้วเห็นไข่ข้างนอกอะ่ะมันทำให้เราเกิดความโลภอยากได้แต่เห็นความอยากข้างในเนี่ยเราชนะความอยากได้ระ <c oughs> วังดีนะกุลีธองคนนี้เ็าเห็นไข่ทองเลยปรเดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้ไม่ค่อยมีใครปฏิบัติพากันไปดูไข่ทองกัวันที่หนึ่งเดินแบบธรรมชาติมีเจ็บปวด นที่หนึ่งวันที่สองเริ่มเท้าเบาหวิวเลยค่ะแล้วพอวันที่สามวันที่สี่กลับมาเท้าตัวเองเท้าเป็นเท้าตัวเองอีกแล้วค่ะเริ่มมีหนักบ้างมีเบาบ้างมันก็ดีแล้วนี่เพราะว่าเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเขาบอกว่ามันปกติไหมที่วันที่สองมันเบาหวิวเลยมันไม่ใช่ขาของเราเองเลยเดินได้ทั้งวันนะคะ ใช่ความรู้สึกตัวมันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นก็ธรรมดาของของจิตบางทีมันก็เห็นชัดบางทีก็ไม่ชัดบางทีก็เบาบางทีก็หนักอันนี้คือความไม่เที่ยงของจิตการปฏิบัติของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดวันแรกอาจจะมีสติดีรู้ได้ชัดวันที่สองอาจจะไม่ชัดเองก็ได้วันที่สมอาจจะดีขึ้นมาก็ได้ ทุกอย่าง ม, มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือเราให้เรารู้ทันว่าอ๋อมันเปลี่ยนรู้ว่ามันเปลี่ยนเนี่ยก็ใช้ได้เพราะว่าก็าาผ่อนคลายได้ไ ด, ได้ไม่แน่ใจว่าผ่อนคลายได้จุดไหนคือไม่ผ่อนคลายเนะี่ยมันเพ่งถ้าผ่อนคลายแล้วมันก็โอ้โหหูตะลุเลยอ่ะเหมือนก็ไม่มีวินัยไม่ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะเขาก็จับไม่ถูก การที่จิตมันเพ่งมันเครียดถ้าเรารู้จิตมันเป็นกลาง น, นะแต่ถ้าเราผ่อนคลายแล้วมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายถ้าเรารู้ีตรงจุดที่รู้นะคือจุดที่ผ่อนคลายที่จุดตรงที่รู้นั่นแหละว่ามันตึงหรือมันหย่อนนั่นแหละคือสายกลาง น, นั่งให้เรียบร้อยนะเพราะว่ากล้องเนี่ยก็ถ่ายตลอดเลยมผมจะเอาภาพพวกนี้ไปที่เมืองไทย ไออว่เมืองไทยว่าคนจีนนี่เขาตั้งใจปฏิบัติมากคําถามคือเวลายกมือมีไหวกันนิ่งอ่าไหวควรจะรู้นิ่งก็ควรจะรู้ทีนี้นิ่งต้องนิ่งนานแค่ไหนเพื่อเขาอยากจะรู้ตอนนิ่งเนี่ยแหละออคําถามของเขาคือควรจะหยุดนานแค่ไหนทีวีอะไรเงี้ยพอจะให้รู้ให้ชัดอ๋ออย่าไปสําคัญว่าต้องรู้ให้ชัด รู้บ่อยๆเธอมันจะชัดไปเองถ้าต้องการให้รู้ให้ชัดทีแรกนมันจะมีการเพ่งแล้วมันจะเครียดรู้บ่อยๆเธอจิตมันจะละเอียดแล้วมันก็จะชัดเองเขาไปเองเราต้องหยุดอีกมั้คะอ๋อไม่ต้องพอเคลื่อนรู้พอหยุดรู้ก็จบจบลงที่รู้พอแล้วรู้สั้นๆเนี่ยพอยกมือนิ่งรู้พอแล้วเอามือเข้ารู้อืมอ่าช่วยให้ดค่ะ ถ้ารู้นานๆเนี่ยมันจะเป็นสมถะมันจะเพ่งเลยตอนนี้ต้องรู้ตอนนิ่งไหมคล้ายๆว่ารู้ไหวแล้วยังต้องรู้นิ่งไหมสองรู้ไหมไม่จาเป็นเรารู้ตอนไหนได้กับรู้ตอนนั้นตอนไหนรู้ไม่ได้ก็ผ่านไปแล้วไปรู้ใหม่ไม่รู้ก็รู้สึกได้ใช่ไหมคะได้ได้ถ้ารู้ว่าไม่รู้นี่แหะคือรู้แล้ว การปฏิบัติเนี่อย่าไปบังคับอะไร อ, อย่าไปบังคับจิตมันไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะแล้วก็ เ, อ, ก อ, เอาใหม่แล้วก็รู้ใหม่จะได้รู้คือไม่รู้อ่ะแล้วก็เริ่มต้นรู้เขาบอกว่าเขาโ้กหญิงเนี้ยคล้ายๆว่าเขารู้ไหมเนี้ยอืเขารู้สึกเหเรเหอรอะไรเนี้ยเขาต้องถามตัวเราเรารู้สึกไหมล่ะว่าเรากําลังเคลื่อนไหวแต่กําลังทําอะไรก็ทอแล้วเรารู้ว่เาเรากำลังทำอะไรก็พอแล้ว อย่าไปคิดมากรู้ก็คือรู้จบพอรู้แล้วไปคิดมากไปหารายละเอียดก็เลือกมากพอจบจบลงที่รู้แล้วรง